บัรนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปปัญหาเรื่องความทุกข์ที่ปรากฏออกมาในรูปแบบต่างๆซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจะนกแสดงไว้โดยในยะนั้นๆเพื่อสะดวกต่อความเข้าใจของบุคคลผู้ฟัง ในขนาดนั้นเป็นประการสำคัญแต่ความทุกข์จะปรากฏในรูปลักษณะอย่างไรก็ตามจะเป็นสภาวัตถุคือทุกโดยธรรมชาติได้แก่เกิดแก่ตายหรือสิ่งที่ติดมากับชีวิตทั้ง10บประการที่เคยกล่าวมาแล้วก็ตามแม้แต่ส่วนที่เกิดขึ้นจากความยึดมั่นถือมั่นของบุคคลในกรณีนั้นๆในฐานะนั้นๆก็ตาม ปัใจจัยใหญ่นั้นอยู่ที่เหตุเพื่อให้เกิดความทุกข์เมื่อท่านกับปะมานพได้กราบทูลถามถึงข้อปฏิบัติหรือผู้ปฏิบัติที่จะทำตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ในลักษณะต่างๆที่ท่านใช้คำว่าถูกชาติและชราแวดล้อมอยู่พระเจ้าก็ทรงแสดงถึงบุคคลผู้ปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นไปที่จุดสูงสุดคือพระอระหันต์โดยแสดงเห็นว่าพระอรหันต์นั้นไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลไม่มีตัณหาเป็นเครื่องผูกพันหรือเครื่องร้อยรัดท่านสามารถขจัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลได้ปัญหาที่น่าศึกษาก็คือเรื่องของคำว่ากิเลสเป็นเครื่องกังวล ข้อนี้ที่จริงก็เป็นการเน้นไปที่ตัวของสมุทัยสตัตว์คือเหตุเกิดของความทุกข์นั่นเองแต่ว่าปริยายของธรรมะก็แสดงทั้งชั้นหยาบชั้นกลางและชัน้นละเอียดเพรกิเลสเครื่องกังวลก็ทรงแสดงไว้ทั้งสมระดับเหมือนกันโดยชี้ไปที่ตัวปัจจัยที่ให้เกิดความกังวลว่าได้แก่ราคับโทสะโมหะตันหามานาทิฐิ และทุจริตมีประการต่างๆดนแล้วแต่เป็นกิเลสเครื่องกังวลทั้งนั้นข้อนี้ในเชิงของสภาวะธรรมคือตัวเนื้อหาของธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมะก็จะเห็นได้ว่าราคาโทสะโมหะกับตันหามานะทิฏฐินั้นที่จริงก็เป็นเรื่องของทิฏฐิแต่ว่าเป็นการแสดงในแนวลึกและในแนวตื้น ราคะโทสะโมหะเป็นกิเลสประเภทที่เป็นพื้นฐานจิตบางครั้งก็เรียกว่าอากุศลลบมูลคือรากง่าวของความชั่วนานาชนิดเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นรุ่มรุมจิตหรือทำปฏิกิริยาต่อจิตก็ปรากฏตัวออกมาในรูปของตัณหาคือการของจิตที่ดิ้นรนทะเยอทยานจากในอารมณ์ต่างๆซึ่งเม่มองในแง่ของอารมณ์ ที่ใจดิ้นรนทเยอทะยานอยากได้มันก็มีเพียงหกกลุ่มใหญ่ๆเท่านั้นเองที่ท่านใช้คำบาลีวารูปตะตันหาสัตตนาเป็นต้นซึ่งก็หมายความว่าจิตใจที่ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากไปในสิ่งที่เป็นรูปสิ่งที่เป็นเสียงสิ่งที่เป็นกลิ่นสิ่งที่เป็นรสสิ่งที่เป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือบางครั้งเราก็เรียกว่าสัมผัสหรือโภชภักและธรรมารมคือลมที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ส่วนจะหลากหลายออกไปเป็นอดีตอนาคตลักษณะของการมาตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาจุดถึงบางครั้งเรก็พูดเป็นตัญหาทั้งร้อยแก็คือนับไปอย่างนั้นเองแต่แท้จริงแล้วก็คือเรื่องของอารมณ์ทั้ง6เหล่านั้นที่จิตของบุคคลไปกําหนดเอาไว้ว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจใจก็ดิน้นไปไขวยคว้าปรารถนาอารมณ์เหล่านั้นทั้งที่ส่วนของอดีตบ้างอานาคตบ้างปัจจุบันบ้าง ลักษณะของมานะก็เป็นอาการของโลภะกับโมฆะแล้วก็ใกล้ต่อโทสะมากเพราะว่าอาการที่บุคคลถือตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็เกิดจริงที่เราเรียกว่าอาหังการคือถือว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมานั้นก็เป็นอาการของความหลงเพราะแท้ที่จริงแม้ความเป็นคนเป็นสัตว์ก็ยังไม่มีความเป็นทั้งหลายจึงเป็นเรื่องสมมติที่ทับซ้อนๆ้ซน ซ, อ น, ซ, อ, นซอนกันไป บางคนก็ซ้อนกันจนลืมตัวเองไปเลยว่าเดิมจริงๆนั้นเป็นอะไรแต่วิธีการทางพระพุทธศาสนาก็พยายามยกของที่ปิดบังเอาไว้คือที่ซ้อนเอาไว้และจะพบว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องของการธาตุอายตนะที่มาประกอบประชุมกันก็มองในแนวที่หยาบหน่อยมองลึกลงไปกว่านั้นก็แท้ที่จริงก็เป็นเรื่องของธาตุหกในธาตุหกนั้นบางทีก็ย่อยออกไปเป็นอาการ32สองมีผมขนเป็นต้น แล้วผลทุท้าแยกไปแยกมาไม่เหลืออะไรเลยคือสักแต่ว่าดินสักแต่ว่าน้ําสักแต่ว่าลมสักแต่ว่ไฟสักแต่ว่าอากาศสักแต่ว่าวิญญาณด้านนั้นเองแต่พอเกาะกลุ่มขึ้นมาความยึดมัน่นถือมั่นในลักษณะต่างๆก็ปรากฏเกิดขึ้นซึ่งว่ากันตามหลักความเป็นจริงถ้าหากว่าโมหะแกเริ่มจางลงก็จะวิเคราะห์ถึงสถานะความเป็นต่างๆได้ว่าแท้ที่จริงเป็นเรื่องสมมุติกันทั้งหมดเลย ฉากการแสดงละครไปในแต่ละฉากถึงความเคลื่อนไหว e ในชีวิตประจํำวันของบุคคลก็เป็นเครื่องบ่งชี้เห็นได้อย่างเด่นชัดว่าที่จริงก็เป็นบทสมมุติที่จะต้องแสดงให้เหมาะสมก่บบทบาทเวลาเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ก็เป็นลูกเวลาเกี่ยวพุ่งเกียวเกี่ยวข้องกับลูกก็เป็นพ่อแม่เวลาเกี่ยวข้องกับเพื่อนก็เป็นเพื่อนเวลาเกี่ยวข้องผู้บังคับบัญชาก็เป็นผู้ใตายบังคับบัญชาเกี่ยวข้องกับผู้ บงังคับบัญชาก็เป็นลูกน้องเป็นต้นตซึ่งแสดงเห็นว่าในชั้นของสมมติสัจจะบุคคลก็ไม่ต้องใช้มานะมากแต่ว่าใช้ในระดับของสัญญาคือความสำนึกที่จะปฏิบัติจนให้เหมาะสมสอดคล้องแก่สถานะที่ตนเป็นและเกี่ยวข้องในขณะนั้นๆเท่านั้นข้อนี้แม้ในการบัญญัติในรูปของพระวินัยหรือในรูปของศีล ก็เป็นเรื่องบัญญัติเฉพาะกาลเทศะโอกาสบุคคลที่บุคคลที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องบางกาละบางโอกาสบางเทศะก็ไม่จําเป็นจะต้องไปประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นซึ่งก็หมายความว่าในชั้นของการสมมติสอนให้บุคคลพยายามเป็นให้ได้เป็นให้ดีแต่เป็นให้เป็นซึ่งสรุปด้วยคําว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบจริงปฏิบัติตามธรรมในฐานะนั้นๆแต่ในชั้นของความจริงที่แท้จริงแล้ว แล้วก็สักแต่ว่าการประชุมกันของขันธาตุอายตนะดังกล่าวแต่เพระโมหะเกิดขึ้นสูงก็เกิดมานะขึ้นมาพอเกิดมานะขึ้นมาก็ต้องการจะให้คนรับรองความเป็นของตนเองเจนยกตัวอย่างว่าเป็นพระเมื่อก่อนก็เป็นคนธรรมดาแล้วก็เปลี่ยนแปลงสถานะมาเรื่อยเป็นพระเป็นพระธรรมดาเป็นพระมหาปรเรียเป็นพระครูเป็นเจ้า ค, คุณ ก็สมมติซ้อนๆกันขึ้นไปโดยลำดับแต่ว่าในขณะที่เป็นถ้าเป็นด้วยมานะคือความกระด้างใครไม่ยอมรับสถานะของตนที่เป็นในขณะนั้นนันก็จะเกิดโทสะซึ่งผู้ปฏิบัติก็จะเห็นว่ากิเลสมันก็แล่นไประหว่างโมหะโลภะโทสะคือแล่นไปเรื่อยๆอาจีก็จะแกว่งไปด้วยอำนาจของอสิ่งเดียนั้นทีนี้สมมติว่าใครไปเกิดยอมรับเช่นมาเป็นท่านเจ้าคุณคนคนก็เรียกเจ้าคุณ ที่เขเรียกประเดชประคุณท่าเจคุณรู้สึกว่าโก้ไม่ยไหยอกตอนในที่สุดก็เกิดโลภะต่อไปคืออยากให้คนเรียกอย่างนั้นพอเรียกอย่างนั้นระยะหนึ่งก็รู้สึกมันชักชักเล็กไปแล้วแล้กิกเลสมันดันขึ้นพองขึ้นมากก็ต้องการจะเลื่อนขึ้นไปโดยลําดับนี้ก็คือเป็นอาการของโลภะที่เร่งกระชั้นที่ขึ้นไปบางทีคุมโลภะไว้ไม่ได้ก็ใช้วิธีการต่างๆเพื่อให้ได้เป็นให้ได้ โมหะก็เกิดขึ้นสูงพอใครขัดขวางไม่ได้เป็นโทสะก็เกิดขึ้นสูงจิตใจมันก็เพิ่มความทุกข์ขึ้นนานาประการดังนั้นจะเห็นได้ว่าสภาพจิตในลนักษณะนี้มันก็เล่นไประหว่างราคะโทสะโมหะที่ส่งแสดงไวปในกรณีนี้พึงสังเกตว่าเป็นการแสดงแก่คนที่เป็นนักบวชแล้วคือท่านมานพเหล่านี้ก็เป็นนักบวชเป็นพวกปริภาโชคเป็นนักบวชประเภทหนึ่งพร ะ, พ, ระพุทธเจ้าจงชงทรงใช้คำว่าราคะ โทสะโมหะแทนที่จะใช้กำวโลภะโทสะโมหะเพราะตามหลักในการแสดงนั้นถ้าแสดงกับชาวบ้านพระเจ้า <warnings> จะใช้กำวโลภะโทสะโมหะถ้าแสดงกับนักบวชจะเป็นพระภิกษุในระพุทธศาสนาหรือนักบวชในศาสนาอื่นก็ตามจะโนทรงใช้กำวราคะโทสะโมหะทั้งนี้ราคะกับโลภเป็นกิเลสประเภทเดียวกันแต่ลักษณะของโลภเป็นความปรารถนาที่กว้างมาก ส่วนราคาจะเน้นไปในด้านความรู้สึกในทางเพศเป็นหลักแล้วก็กระจายออกไปในรูปลักษณะอย่างอื่นซึ่งเป็นปัญหาภายในใจของบุคคลทั้งสองกลุ่มที่จะต้องแก้ก็ระตามปกติแล้วใจคนมันก็แล่นอยู่ที่ราคากโลภะสูงกว่ากิเลสสายอื่นส่วนโมห oh ะถึงแม้จะมีเป็นฐานก็ไม่ถึงกับเกิดขึ้นกลุ้มรุมใจมากกว่ากิเลสสายโลภะ าการปฏิบัติธรรมในทางรัทธศาสนาจึงทรงสอนเน้นในทางสงบราคะหรือสงบโลภะแม้แต่ศีลทั้งหมดนั้นก็มุ่งสงบราคะกับโลภะเป็นประการสำคัญซึ่งมายกสิกขาบทแต่และข้อขึ้นมาพิจารณาแล้วบุคคลจะเห็นได้ชัดว่านี่คืออาการของโลภะเวลาผิดศีลเวลาไม่ผิดศีลก็นี่คือความเจือจางความลดละของโลภะออกไปทำให้บุคคลสามารถสารวจระวังอยู่ในศีลได้ ทีนี้พอถึงเรื่องของทิฏฐิก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นอาการของโมหะที่เด่นชัดเมื่อเกิดทิฏฐิขึ้นมาก็ปรารถนาการยอมรับนับถือจากบุคคลอื่นก็เป็นอาการของโลภ พ, พอคนไม่ยอมรับก็เกิดโทสะเพราะนั้นคนก็ทุ่มเฉียงทะเลาะวิวาทกันแต่นั้นกิเลสทั้งสองกลุ่มซึ่งทรงแยกเป็นกลุ่มละ6ข้อไอ้กลุ่มละสาข้อนั้นที่จริงก็เป็นปัจจัยของกันแกกันตันหา มานะทิฐิเป็นอาการซึ่งเกิดขึ้นมาจากราคะโทสะโมหะหรือโลภะโทสะโมหะทีนี้ก็ส่งย้อนไปที่เชิงพฤติกรรมคือออกมาเป็นรู ป, ปรธรรมที่สงรงใช้คำว่ทุจริตกรร่าทุจริตนั้นที่จริงก็เป็นอาการรวมของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมาจากโลภะโทสะโมหะแล้วก็แรงขึ้นจนเป็นฐาหามานะทิฐิแล้วแรงขึ้นไปอีก จนคุมไว้มาอยู่ก็ออกมาเป็นรูปของทุจริตซึ่งปรากฏออกมาทางกายก็ได้ทางวาจาก็ได้หรือเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจก็ได้ซึ่งถ้าหากว่าบุคคลสังเกตสภาพจิตที่ประกอบด้วยทุจจิตจะเห็นว่ากิเลสทั้งสามสายนั้นเกิดขึ้นแรงมากในด้านของโลภะก็ไม่อยู่เฉยๆแล้วอยากได้ของคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้จนไม่มีที่สิ้นสุด บางทีอยากได้ข้ามประเทศไปเลยต้องขึ้นเครื่องบินไปซื้อมาจากต่างประเทศนี่แสดงถึงแรงดันของโลภะที่เป็นอาการของตาาอันหากระดิ่งร่นทะเยอทยานอยากจนข้ามประเทศไปเลยลักษณะของโทสะก็มีลักษณะอย่างนั้นคือดิ้นแรงออกไปจนถึงอาฆาตพยาบาทปฏิบัติการจองเงเวนข้ามประเทศข้ามทวีปไปเลยก็มีนี่ก็คือเรื่องของทุจริตที่มันเกิดขึ้นภายในใจมีแรงดันสูงมากแล้วคนก็คุมไว้ไม่ได้ ถ้าคุณไว้ไม่ได้ก็ออกมาในรูปของกายยัตุจริตกายยัุจริตที่ออกมาเป็นรูปของการบิดเบียเบ้ยนกันทางร่างกายบางครั้งสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นเช่นวางระเบิดไว้ทิ้งไว้ในสถานที่ต่างๆคือโกรธคนหนึ่งแล้วไปวางระเบิดในที่หนึ่งคนซึ่งไม่รู้อิโยเนีก็พลอยเดือดร้อนเป็นต้นนี้ก็เป็นลักษณะที่เห็นว่าความเห็นนั้นประกอบด้วยมิจฉาทิฐิที่แรงมาก ซึ่งก็หมายความว่าโลภะก็แรงโทสะก็แรงความหลงเลยแรงตามไปปฏิบัติการผิดในด้านของทรัพย์สินเงินทองจนถึงกรุนแรงออกมาเป็นสงครามเทวเจ้าทรงแสดงไว้ในรูปผลก็คือเป็นอาการของความทุกข์ในรูปเตุก็คือเรื่องของกิเลสทั้งหลายที่เกิดขึ้นรุ่มรุมใจของบุคคลนั่นเองทีนี้ปัญหาที่จะต้องมองในโอกาสต่อไปก็คือตรวจสอบดูสภาพจิตของตนเองว่า คนนี้เป็นเหตุให้เกิดกังวลจริงไหมมองดูในชั้นหยาบๆยาบคือในชั้นของทุจริตที่ออกมาทางกายกับทางวาจาซึ่งก็เป็นเรื่องของการผิดศีลทั้งห้าประการอย่างที่ทราบกันเวลาคนเราประพฤติผิดศีลนั้นจะมีใจิตใจมีความวิตกกังวลเดือดร้อนที่สงชยัยมำวิปปติสารคือไม่สบายใจมีความโามโตรวในภายในมีความซึมเศร้าในภายในถูกความ ปิดพลาดบกพร่องเหล่านั้นกัดกร่อนจิตใจจนกลายเป็นความวิตกกังวลบางครั้งก็หวาดระแวงบางครั้งก็สร้างเป็นภาพหลอนขึ้นมาบางครั้งก็จนถึงกับไม่สามารถที่จะนอนได้ละซึส ง, งบใจได้นั่นคือสิ่งที่เก็บสะสมเอาไว้ภายในใจที่อาศัยการกระทำทุจริตที่หมักหมมอยู่ภายในใจพระเจ้าได้ทรงแสดงถึงโทษของ การละเมิดสินคือการผิดสินเอาไว้ในสถานที่ต่างๆเป็นนั้นมากเช่นว่าชื่อเสียงไม่ดีไม่งามก็เป็นที่รู้ของบุคคลทั่วไปบางคนที่เสียชื่ อ, อะจะไปในที่ไหนก็มีแต่ความวิตกกังวลหาความสงบใจไม่ได้ต้องมองซ้ายมองขวากันอยู่ตลอดกลัว ค, คนนนจะเห็นกลัว ค, คนนี้จะจับได้ไล่ทัน ยิ่งพวกอาจายกรพวกกาตะกรต่างๆแล้วภาพความรู้สึกเหล่านี้โดยการแสดงออกเหล่านี้จะปรากฏเห็นได้อย่างเด่นชัดทีนีถ้ามองอีกมุมหนึ่งว่าถ้าคนเหล่านั้นไม่กระทําผิดอะไรความมีตกกังวลจะมีอยู่ภายในใจเขาไหมเราก็ตอบว่าก็ไม่มีวิตกังวลอะไรไม่เดือดร้อนอะไรแม้จะมีการพูดการประกาศว่าจะจับคนอย่างนั้นจะลงโทษคนอย่างนี้ แต่เราพิจารณาตรวจสอบดูตัวเราแล้วก็เห็นความบริสุทธิ์หมดจดุดไม่มีปัญหาก็ไม่อยู่ในกลุ่มนั้นความความกังวลความเดือดร้อนก็ไม่มีอยู่ภายในใจทางการพิจารณาจึงต้องพิจารณาในสองด้านคือด้านมีกับด้านไม่มีเช่นทรงสอนในโทษของทุจริตก็มองด้านมีโทษกับด้านไม่มีโทษไว้จิตจะก่อให้เกิดความกังวลหรือไม่เกิดความกังวลเพราะมีอยู่ทั้งสองด้านถ้ามีเราก็เกิดความกังวล ถ้าไม่มีก็ไม่เกิดความกางังวลดังนั้นจากความกังวลที่มีอยู่ภายในใจคนเหล่านี้เมื่อไปในที่ไหนก็ไม่องอาจไม่กล้าหารเพราะมีความคั่นครามขมเกรงในสมาคมเหล่านั้นแต่มีความวิปฏิสารอยู่ภายในใจตลอดสิ่งเหล่านี้ที่จริงมีลักษณะหมักหม ม, มสะสมทุกโทษความเดือดร้อนไว้ด้วยประการต่างๆแล้วก็ออกมาในลักษณะดังกล่าว แล้วข้อที่สำคัญอีกประการหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับสังสารวัฏที่ทรงแสดงว่าจะหลงทมกาละกิริยาข้อนี้ที่ท่านแสดงถึงเรื่องกรรมซึ่งปรากฏภายในใจของบุคคลที่ก่อนจะดับเขามีสิ่งปรากฏขึ้นมา3มสิ่งเขาเรียกว่ากรรมอารมณ์อารมณ์คือกรรมที่บุคคลกระทาเอาไว้เป็นกุศลหรืออกุศลในกรณีนี้ก็คือเรื่องของอกุศล จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของบุคค ล, ลนั้นแลวจะเหนียวเอาสิ่งที่ไม่ดีมาเป็นอารมณ์คือจะมองเห็นภาพเหตุการณ์ต่างๆที่ตนกระทำชั่วกระทำผิดเอาไว้ในสุดกรรมนั้นก็เป็นกรรมมนิมิตตาลมเครื่องหมายของกรรมก็เด่นชัดปรากฏในจิตของบุคคลนั้นเองแล้วก็จะทำให้บุคคลเห็นคติที่ตนจ้าบัดบังเกิดในภพชา ต, ติต่อไปกรนีท่านแสดงว่า บุคคลที่นอนบนเตียงเป็นที่ตายนั้นจะปรากฏอยู่ในโลกทั้งสองคือร่างกายเขาปรากฏอยู่ในโลกนี้คือนอนอยู่บนเตียงสําหรับจะตายแต่ว่ามโนภาพจะปรากฏในโลกหนึ่งจะรู้สถานที่อุบัติของตอนเองดังภาพคนตายที่ปรากฏต่อหน้าผู้มีชีวิตอยู่จึงมีลักษณะที่แตกต่างกันเป็นการบ่งชี้เห็นถึงความพิจกกังวลภายในใจเขา บางครั้งก็อาจจะแสดงอาการหวาดกลัวออกมาบางครั้งก็แสดงอาการยิ้มแย้มผ่องใสออกมาเป็นต้นทีนี้ก็เป็นการชี้เห็นว่าลักษณะของทุจริตต่างๆที่บุคคลกระทําเอาไว้จะมากหรือน้อยก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องสร้างความวิตกกังวลหวาดระแวงสงสัยถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําของตนตาำก็มีการตรวจสอบดูว่า บางครั้งแม้แต่พูดพลาดไปสักประโยคหนึ่งก็รสร้างความวิตกกังวลให้เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลอยู่ได้นานๆบางครั้งจนกลายเป็นความกระดากความเก้อเขินไม่สู้หน้าบุคคลเหล่าอื่นถ้ามองกลับไปที่ใจก็จะเห็นว่าใจเกิดความสํานึกผิดในคําพูดประโยคเหล่านั้นออกไปบางทีก็เก็บกัดก่อนใจอยู่เป็นเวลานานแม้แต่เพียงประโยคเดียว กิเลส ท, ทั้งหมดจึงกลายเป็นเรื่องของเป็นเหตุให้เกิดความวิตกงังวลแม้แต่ออกมาในเชิงที่เป็นกายกรรมซึ่งบุคคลกระทำไปด้วยอำนาจของกิเลสก็เป็นเหตุสร้างความมิตกังวลทั้งหมดปัญหาการจะแก้ทุกข์นั้นแมรพุทธเจ้าจะทรงแสดงจุดสุดยอดเพราะปกติแสดงธรรมะระดับนี้จะพุ่งไปหาจุดสุดยอดหมด แต่วในเชิงก็การปฏิบัติก็ไม่แน่เสมอไปว่าผู้ปฏิบัติจะถึงได้สุดยอดแต่พึงเข้าใจว่าเมื่อทรงอุปมากิเลสว่าเป็นเหมือนไฟไฟที่ลดน้อยลงไปนั้นก็จะลดความเร่าร้อนลงไปกิเลสซึ่งเป็นไฟเผาหล่นใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นนั้นในบางครั้งพระพุทธเจ้าทรงแสดงระดับในลักษณะที่คลายบรรเทาลดละ จึงก็หมายความว่าคล้ายๆกับความร้อนมันจัดเราก็ผ่อนคลายความร้อนลงไปความร้อนมันมากเกินไปเราก็ลดความร้อนลงมาสษณะการบรรเทากิเลสก็เป็นเช่นนั้นเมื่อกิเลสมันลดความทุกข์ก็ต้องลดจึงอาจจะดูอะไรก็ได้อาจจะดูในขณะที่ปรุงอาหารก็ได้ว่าเวลาปรุงอาหารถ้าไฟจัดเกินไปก็คงมีปัญหาอาจจะไหม้เกรียมไปเลย พลัก็ต้องลดลงไปเพื่ออยู่ในจุดที่อาหารนั้นจะอำนวยประโยชน์ให้ได้ท น, นจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในชั้นหนึ่งจึงเป็นเรื่องของการบรรเทาเรื่องการเรื่องของการผ่อนคลายความตึงเครียดต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตใจประการสำคัญที่พึงมองก็คือว่ามองในตัวของความทุกข์ปัญหาที่เกิดออกมาในรูปลักษณะต่างๆนั้นก็อยู่ที่ บุคคลไม่ยอมรับความจริงตามที่มันเป็นเพราะแท้จริงแล้วธรรมะจะเป็นกุศลอกุศลหรือกลางๆก็ตามเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นเช่นไฟก็มันเป็นอย่างที่มันเป็นคือร้อนทุกทีน้ำมันเป็นอย่างที่มันเป็นคือเย็นทุกทีได้ไม้จะใครไปต้มให้ร้อนไปรเดี๋ยวก็กรับก็สู่ความเจ็บนั้นคือเป็นอย่างที่มันเป็นดันเรียกว่าเป็นภาวะคือเป็นสภาวะของมันบางครั้งดันใช้กำว่าสภาวะธรรม คือทำที่มันเป็นตามสภาวะของมัน ท, ที่ปัญหาที่เกิดขึ้นมากก็คือคนไม่ยอมรับตามที่มันเป็นฉันยกตัวอย่างว่ามีคนใช้อยู่ก็พยายามที่จะให้คนใช้คิดทำได้ทุกอย่างเหมือนที่ตนต้องการจะให้ทำซึ่งว่ากันตามความเปจริงถ้าแกคิดแกทาแกพูดแกแสดงได้ทุกอย่างอย่างที่เราทำเราพูดเราคิดแกก็คงไม่ต้องเป็นขดใช่แกคงเป็นนายไปแล้ว เราก็ต้องทําใจยอมรับแกก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละแล้วต้องไปเกี่ยวข้องกับคนระดับนี้พื้นฐานการศึกษาภูมิธรรมสติปัญญาระดับนี้ก็ต้องยอมรับแกในขณะนั้นๆเวลาเกี่ยวข้องกับเด็กกับอะไรก็ลักษณะเช่นเดียวกันบุคคลจะต้องยอมรับว่าเด็กก็คือเด็กจะไปมุ่งมาดปรารถนาให้เด็กเป็นอย่างที่เราเป็นไปเสียทุกอย่างนั้นก็เป็นไปไม่ได้ เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเป็นเรื่องของการเวลาเป็นเรื่องของวุฒิภาวะเป็นเรื่องของพื้นฐานที่เป็นบารมีธรรมของบุคคลเหล่านั้นซึ่งแตกต่างกันทีนี้ถ้ามองให้ซึ้งลงไปอีกทีหนึ่งบุคคลก็จะมองเห็นว่ า, าการที่ใครก็ตามไปมุ่งกะเกณให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เราต้องการให้เป็นนั้นนอกจากเป็น คนที่ฝืนกติธรรมดาไม่ยอมรับความจริงตามกติของธรรมดาแล้วเป็นคนพ่ายแพ้กิเลสด้วยประการทั้งปวงเพราะอะไรเพระวัติในหลักของความชนะนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าหัตตาหเวอัตาหเวจิตังเสโยชนะตนนั่นแหละเป็นการดีเป็นยอดของความชัยชนะในโลกนี้พระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าผู้พิชิตมารหรือมารวิชัยที่จริงก็คือชนะใจของพระองค์เอง ชนะกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใ จ, จของพระองค์เองจึงจึงได้ชื่อว่าเป็นพระผู้พิชิตมนันพ้นโดยโดยพื้นฐานของการประพฤติปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วถ้าว่าบุคคลพยายามยอมรับความจริงในแง่ของกติธรรมดาความรัดรากก็คือความรัดรากจะไม่ให้เป็นความไม่จะไม่ให้เป็นความไม่พรัดพรากไม่ได้เพราะพระัดรากไปแล้ว ความแตกทำลายก็เป็นเรื่องธรรมดาจะบังคับไม่แตกทำลายไม่ได้เพราะของมันแตกแล้วนี่คือการยอมรับคติของธรรมดาถ้ายอมรับหรือบางครั้งก็เรียกว่าโปร่งใจหรือปร่งตกปร่งใจให้ตกเป็นภาพคําเป็นภาพที่มองเห็นได้ในเชิงรูปธรรมว่าคือหมายความว่าปร่งให้ตกอะไรที่เราวางเราอะไรที่เราถือเราแบกมันหนัก นักก็ปรงคือวางได้เลยวมก็เบากะท่านนั้นเองแต่การที่มีปัญหานั้นก็เกิดขึ้นจากการไปแบกหามอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้มงมากปรารถนาที่จะไปแก้ปัญหาที่อื่นแทนที่จะแก้ที่ใจตัวเองแต่ถ้ายอเรายอมรับตามสภาพความเป็นจริงแล้วเราก็หยุดวุ่นวายกับปัญหาเหล่านั้นอย่างที่โบราณท่านเล่าถึงเปรตไปจัดคนให้นอนเสมอกัน เหมือนสาลาดนึงอันในที่สุดก็กลายเป็นคนโง่ขยันไปเมื่อดึงให้หัวตรงมันก็มองสาย ห, หัวตรงแต่มองที่เท้ามันก็ไม่จงเมื่อดึงให้เท้าตรงทางหัวก็ไม่ตรงแต่พอแกเกิดปัญญาขึ้นมาโอ้คนมันเป็นอย่างนี้เองเพราะจึงคนสูงต่ำไม่เท่ากันการที่เราจะให้เท่ากันคือเสมอกันทั้งเท้าต้องหัวในขณะเดียวกันเป็นไปไม่ได้ เมื่อส่วนหนึ่งเสมอกันอีกส่วนหนึ่งไม่เสมอกนแตัวอาจจะเปลี่ยนในยาบทเอาไปยืนเพื่อจะให้เสมอกันมันก็ไม่เสมอกันอีกจะไปนั่งก็ไม่เสมอกันอีกลเพราะงั้นจะอยู่ในริยาบทไหนก็ไม่มีทางที่จะเสมอกันเพราะมันเริ่มไม่เหมือนกันมาตั้งแต่ตน้นปรับใจให้ยอมรับความจริงก็หยุดทำในเรื่องที่ทำไม่ได้ทำเฉพาะในเรื่องที่ทาได้ วันเปรตที่จัดคนบลสาลาแทนที่แกจะไปจัดคนแกจัดใจแกเองคือมาแก้ที่ใจแกเองยอมรับความจริงอ้อมันเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เลิกไปจัดเพราะต้องจัดมาตั้งคืนนะังจัดไม่ได้ก็หยุดจัดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลก็ต้องมีลักษณะอย่างนั้นคือปัญญาเข้าไปส่องให้มองเห็นความจริงว่ามันก็เป็นอย่างนั้นเองปรีบางทีต้อนใช้คําสั้นๆ ที่เรียกว่าตัทตาคือมันเป็นอย่างที่มันเป็นเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นคือสภาพมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคล้ายๆกับว่าบุคคลต้องการจะรับประทานมะม่วงแล้วต้องการใช้หวานจัดก็หวานจัดได้ขนาดมะม่วงถ้าต้องการหวานแต่นั้นต้องไปกินน้ําตาลแล้วไปกินมะม่วงไม่ได้ก็หวานขนาดมะม่วงก็ถือว่าหวานแล้วขนาดนั้นแต่ถ้าหวานเกินกว่านั้นก็กินมะม่วงไม่ได้เพราะไม่มีมะม่วงหวานขนาดน้ําตาล แต่เมื่อเรายอมรับความจริงก็อดเด็ดอร่อยกักนรับประทานมาม่วงได้เพราะฉะนั้นในคาว่าสภาวะสัจจะคือความจริงตามสภาพเป็นเรื่องที่บุคคลจะต้องมองให้เข้าถึงความจริงและในที่สุดก็จะผ่อนคลายความยึดติดในอารมณ์ต่างๆลงไปสามารถบรรเทาลดละความยึดความถือบางครั้งโดยเป็นการสึกนึกในลักษณะซ้าเติมตัวเองเป็นแผ่นเสียงตกร่อง หมุนวนอยู่ในอารมณ์หล่ดนั้นกัดกร่อนจิตใจบางครั้งจนซึมเศร้าง้อยเหงาทอดหมดอะไรตายอยากในชีวิตแต่้ามองให้เห็นความจริงในส่วนล่านี้ได้ไม่ไปยึดมั่นหรือมั่นอะไรมากเกินไปบุคคลก็จะลดในความมิตกกังวลต่างๆภายในใจลงไปได้ความสงบความเย็นก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้น ซึ่งกรนี้จะเห็นได้ว่าตัวที่ต้องลดจริงๆจึ ง, จงไม่ได้อยู่ที่ตัวทุกข์เพราะทุกข์เราลดไม่ได้แต่ว่ามาลดที่ตัวกิเลสพราะถกิเลสลดความทุกข์จะลดมันเหมือนกับอะไรเหมือนกับอาการเจี๊ยดแทงของโรคคือเราไปแก้ไขที่ตัวโรคนั้นไม่ได้แต่ว่าแก้ไขที่ตัวสมุทฐานของโรคหรือคล้ายๆกับน้ํากับบังเดือดพล่้นคือเราแก้ไม่น้ําเดือดไม่ได้มันต้องดึงไฟคือต้องลดความร้อนของไฟลงมา และในสุดน้ําก็จะลดอาการเดือดพล่านลงไปจะถึงก็เย็นลงไปในที่สุดได้ภาพเหล่านี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาถ้าบุคคลยอมรับว่ามะม่วงคือมะม่วงกล้วยก็คือกล้วยมะพร้าวก็คือมะพร้าวต้องการความอริยรอยจากมะม่วงก็มีขนาดเนี้ยแต่มะพร้าวก็มีขนาดนี้แล้วเมื่อไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นก็คิดอย่างนั้นปรับใจยอมรับความจริงตามฐานะนั้นๆแล้ว ความทุกข์ความเดือดร้อนที่กัดกร่อนจิตใจของบุคคลก็จะบรรเทาประบางลงไปซึ่งจุดใหญ่ใจความก็คงอยู่ที่การเพิ่มพูนปัญญาเพื่อขจัดโมหะซึ่งเป็นรากง่าวของกิเลสจริงจริงเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นความสว่างก็จะปรากฏภายในใจสองให้เห็นเหตุผลและกติธรรมกติธรรมดาของสัพสังขารทั้งหลายทั้งตนเองและสิ่งที่เกี่ยวข้องได้ ความสุขก็จะเกิดขึ้นแก่บุคคลบุคคลนั้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป